ธรรมเทศนาแผ่นที่71ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุโสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18มกราคม2558 ม, ม, ม, มีชื่อเรื่องว่าสามเณรอินทวายสมัยอยู่กับหลวงปู่ล่า ma uh -huh. uh -huh. ญาติโยมโลูกหลานตั้งใจฟังอย่างที่อาจารย์พระครูที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนําเรื่องถ่ายภาพเรื่องวิดเรื่องโทรศัพท์ <c oughs> ก็เป็นอย่างที่ท่านได้พูดแล้วก็วันนี้พวกเราคณะทาญาติโยมในมาพร้อมกันเห็นคณะทาญาตโยมแล้วก็ ผู้ที่ไม่ได้ขึ้นมาก็ามากและก็สวยฝ่ายพระสงฆ์มองหนูแล้วก็อุ่นหนาฝาคั่งแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อเองไม่ได้มาไม่ได้มางานขององค์หลวงปู่เพราะว่างานของหลวงปู่จามเสร็จไปมัดหมัดรู้สึกว่าการงานหนักหนา เหนื่อยพอสมควรปีนี้เฮ็ดพอมันขาดปีที่แล้วปีนี้ก็ก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะคณะสัตยาญาติโยมแต่ก่อนหลวงพ่อเองก็เป็นเนนน้อยขององค์หลวงปู่อยู่ที่ภูเจาะเป็นรุ่นแรกที่มาสร้างภูเจาะเป็นรุ่นแรก คือคณะบเป็นกอไก่เลยล่ะทั้วหมหนึ่งะที่ผู้จอกอปี 2,500 ที่หลวงปู่มาอยู่เราคุณห ล, ลงพ่อเองก็เป็นเด็กเข้ามาอยู่ขบวงหลวงปู่อายุจบเพียงจบปสี อ, 4, อายุ11เพียง12อปีเข้ามาอยู่ที่ผู้จอกกอปี2อ0พ หลวงพ่อเป็นเนนปี2005นหะลูกหลานนะเป็นเนนกลึ่งพุทธกาลจากนั้นก็ได้เป็นบวชเป็นสมเด็ปีนะั่นแหะปีกลึ่งพุทธกาลปี 2,500 จนถึง25งพ้ารดเป็นสมเด็จจุแปดปีจากนั้นก็ได้บวชเป็นพระเมื่อครบบวชปีบวชปีศ8 แล้วก็จำพรรษาจอกองหลวงปู่ปีนั้นจำพรรษาสององไม่มีสมณเนรอยู่ด้วยกันสองที่เป็นพระเวลาจะประเคนอันไหนโอ้ลำบากมากจะต้องถึงตอนเช้าซะก่อนมีโยงเข้ามาจึงรับประเคนได้เนี่ยบางปีก็จำพรรษาสามองบางสององบางที่หลวงปู่่าอยู่ที่นี่ น่ะอันนี้ก็คือการประวัติจากนั้นก็บวชปีศูนย์แปดปีนี้ก็สองพันห้ารอยห้าสิบแปดชีวิตของหลวงพ่อนะที่เป็นพระหนะ้าสิบพรรษาคณะสัายาติโยมลูกหลานไม่ใช่พระน้อยพระนมแล้วทีนี้ที่สมัยเป็นเนนของหลวงปู่ล่าเป็นเนรแต่เดี๋ยวนี้พรรษา เฉพาะพัรษาพระห้าสิบพันษาเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้นั่งหัวแถวอายุพัรษามากกว่าทุกองค์ที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วอายุเนรอีกแปดปีบวชเนรอีกแปดพันษารวมแล้วชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธ ศ, ศาสนาเป็นเวลาห้าสิบแปดปี แล้วปีนี้หลวงพ่ออายุเจ็สิบนะคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานอาไม่ใช่พ้าน้อยผ้านุเพราะนั่นการจะปีนเขาขึ้นมาภูเจ้าก้อเนเออปีนขึ้นมาที่ไหลกันเหนื่อยเออเกือบต่อไปเนี่ยคงจะได้ถามและคณะสัตถถายาญาติโยมยังถามเจ้าอาวาสเมื่อกี้นี่บอกว่าเอหลวงปู่ของเราเนี่ยตอนที่ท่านอยู่ภูเจ้าก้อนี่ยอายุเท่าไหร่วะ ที่ท่านหามขึ้นเขาเนี่ยว่ะพอหลวงพ่ออยากจะให้คนอื่นหามแล้วนะที่นี่นะพอ่พอหลวงพ่อปีนจักยังไม่ไหวแล้วหลวงพ่อก็เลยถามถ้าหลวงปู่หลวงปู่อายุแปดสิบท่านจะได้หามหลวงพ่อก็คงจะอดสาเข้าไปเดินยืถึงแปดสิบแล้วจึงจะหามท่านหลวงปู่ถามพระมว่าอายุหกสิบปีกว่ า, ก, วาก็หามขึ้นแล้วหลวงพ่อก็คิดว่า ต่อไปเนี่ยคงจะให้พระลูกพระหลานหามแล้วนะที่นี่นะ เ, เพราะอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยแต่หลวงปู่ท่านมีโรคสองโรคนะในตัวของท่านคือโรคโรคไส้เลื่อนอันหนึ่งเราก็โรคหัวใจเพราะนั้นทั้งสองโรคนี่จะปีนเขาเนี่ยไม่สะดวกแต่หลวงพ่อนี่ก็นับประโชคดีทั้งสองโรคเนี่ย ย, ย, ยังไม่เข้ามาเยือนขนาดนี้นะ แต่มีแต่โรคแก่โรคแก่โรคเหนื่อยออมันไม่เหมือนตะ ก, กอด น, นะคณะทศไทยญาติโยมโลูกลานปีนเขาขึ้นมาเนี่ยรู้สึกอย่างมากๆเลยแต่ก็พยายามเดินขึ้นมาแบบช้าๆนะก็มาถึงได้นี่แหละอันนี้ก็คื อ, อ, อความตั้งใจที่อยากจะมาให้ถึงสถานที่ ท, ที่องค์หลวงปู่ของพวกเราแต่ก็ามาเห็นคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างจริงท่านอาจารย์พระครูเจ้าคณะอำเภออำเภอคำชะอีอาจารย์พระครูจำรัดท่านเป็นผู้แต่งตำรากับคารวะองค์หลวงปู่หล่าฟังแล้วก็ ส, สนอพ ร, พร้อเพลง กล่าวยาวเพื่อเป็นศาสนาพิธีให้พวกเราท่านทั้งหลายาได้กล่าวํำลึกถึงบรรยายระคุณขององค์หลวงปู่เป็นพระอุโชยยะสามีจิปติท่านคล้า ย, ายว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธทเจ้าที่ท่านปฏิบัติทีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งที่ท่านอาจารย์พวกครูกล่าวไปในก่หลวงพ่อฟังไปแล้วก็ไม่ถึงกับ Word, เวอร์เรือว่าพูดเพ้อเจ้อลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ฟังเขาแล้วก็กลมกล่อมสมดังที่พวกเราได้กล่าวพระองค์หลวงปู่เป็นพระมักน้อยสันโดษปฏิปทาของหลวงปู่เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นผู้เคร่งในหลักพระธรรมวินยัยแล้วก็สัมมาปฏิบัติทุกอย่างองค์หลวงปู่พร้อม แล้วก็ในมเมื่อท่านยั ง, งทรง่าสทรงขันอยู่การอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ามีพระสงฆ์สมณะอุบาสกอุบาสิกามาจากจารตวรเทศท่านก็ให้ความต้อนรับขับสู้ถึงจะเห็ดเหนื่อยองค์หลวงปู่ก็ยังออกมาต้อนรับคณะสิทธิานุสิทธิลูกหลานทุกคนโดยสม่ำเสมอ แล้วก็นแนะนำสั่งสอนในการเป็นอยู่แนะนำภายในวัดควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้ตลอดถึงที่พักพาอาศัยหลวงปู่นี่เป็นผู้มีจิตใจหรือว่าเมตตาต่อลูกหลานอย่างสุดซึ้งในเรื่องเหล่านี้หลวงพ่อเอง ถึงใจะจะไปอยู่นสถานที่ใดหลวงพ่อก็ยังล้ำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่จุดนี้พ่อองค์หลวงปู่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้ฝังไว้ในจิตในใจของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็พยายามสอนพระสิทธิพ์พระที่เป็นลู ก, ลกน้องของหลวงพ่อเหมือนกันให้แขก ทางอื่นทางไกลามาอันนี้ถือว่าเป็นญาติธรรมเป็นญาติของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราไม่มีญาติธรรมเหล่านี้ต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะอยู่กันอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศรราสนาให้พวกเราถือว่านี้คือญาติของเราที่เป็นทายาทของเราต่อไปในอนาคตเพราะนั้นให้พวกเราดูการเป็นอยู่ที่ เข้ามาเกี่ยวข้องให้ดูการอยู่การกินการไปมาหาสู่ที่พักพ่าอาศัยสิ่งเหล่านี้นะให้ดูดูนะ น, นี่อันนี้คือเรื่องเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยนะพวกน้องๆทั้งหลายที่คืออยู่กับองค์หลวงปู่ล่านะคงจะไม่ได้ตาหนิหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออินพูด <c oughs> เกินไปคงไม่ว่าอย่างนั้นผู้ว่าจะพูดน้อยเกินไปพูด เใครๆกับไม่เหมาะสมควรจะพูดมากกว่านี้อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะหลวงปูล่ลาท่านมีน้ําจิตน้ําใจจริงๆต่อคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระน้องพระนุ่งทั้งหลายคณะสัตายาญาติโยมผู้ใดไม่เห็นหลวงปู่แล้วก็นําทําคําสอนหรือว่าที่ น้ำจิตน้ำใจขององค์หลวงปู่มีต่อคณะสิทธิานุสิทธิ์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะนั้นที่หลวงปู่ที่ท่านพาลูกศิษย์ลูกหาพาดาเนินอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่ส่วนด้านจิตใจที่หลวงปู่แนะนำสั่งสอนจะเป็นใครมาจากที่ไหนไหลวงปู่จะแสดงธรรมลัเทศให้ฟังเป็นที่พอใจจับใจ อชี้แจงให้ฟังแต่สมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเป็นเนนนะ่ะอท่านไม่มีใครไม่มีใครมานะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครมาท่านก็สอนให้เนเนไงหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนเวลาท่านจะเทศท่านจะสอนเนี่ยท่านจะให้เดินตามหลังนะเดินตามหลังท่านพอเราจะเดินตามหลังบางทีเราก็ฟังไปฟังมาเราก็เบื่อเบื่อมันกันนะในใจนะ แล้วก็จะเดินก่อนเพื่อจะเดินเดินให้ให้ให้ทางไปอท่านก็จับลากแขนว่าเดินตามหลังเราก็เดินตามหลังเอท่านก็พูดพูดพูดพูดพูดอะไรให้ฟังะเพอเราฟังข่าวพอเดินหัวมันมันจําใช่ไหมพอพูดแล้วก็จําได้แล้วไม่ต้จะพูดอะไรมากมายนักหนาฮะเออแต่หลุกปู่นะท่านเป็นลักษณะปู่สอนหลานฮะเอท่านก็พูดพูดพูดเรื่องนี้ให้ฟัง แต่ตามไม่จริงก็มีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมอยู่ในนั้นแช่ไม่ใช่คำพูดแบบเดียวกันทั้งหมดข่าวนี้อธิบายเล่เหลี่ยมอย่างนห้ให้ฟังข่าวนี้อธิบายอีกชั้นเชิงเล่เหลี่ยมอย่างนี้ให้ฟังคโดยมากหรงปู่ท่านจะมีวิธีการบอกสอนสำหรับลูกน้องของท่านนี่แหละตอนนี้พอสมัยนั้นหลวงพ่อฟังฟังแล้วก็ เกิดความเบื่อเหมือนกันนะเพราะว่าท่านสอนแบบสั้นสั้นแบบปู่สอนหลานนะแต่พ่อหลวงพ่อไปอยู่เดี๋ยวนี้นะที่เป็นหัวหน้าขึ้นมานะเนี่ยเอเห็นหัวหน้าขึ้นมาล้ำลึกถึงหลวงปู่เมื่อไหร่ยกมือท่วมหัวเลยรแบงนั้นเถิดยกมือไหว้หลวงปู่พราะโอ้หลวงปูท่ที่ถ้าว่าหลวงปู่ไม่สอนเราขนาดนี้ไม่กอกเช้ากอกเย็นถึงขนาดนี้ เราก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เราได้นำคําพูดของหลวงปู่แือธรรมเทศนาของหลวงปู่เนี่ยมาแนะนำสั่งสอนออมาอยู่ในจิตในใจของพวกตู่ของเราเราก็ได้นำทำคําสอนของหลวงปู่เนี่ยนะไปบอกกล่าวลูกหลานต่ออีกทอดหนึ่งแล้วก็ได้ผสมผสานแนวความคิดขององค์หลวงตา คือองค์หลวงปู่เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเป็นธรรมะเป็นแนวพื้นฐานสอนเด็กอย่างหลวงพ่อเนี่ยวิธีการทํำยังไงปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อเอาจากหลวงปู่ล่าทั้งหมดแต่องค์หลวงตาเนี่ยเป็นต่อยอดอท่านแสดงให้เรื่องอสติเรื่องปัญญาเรื่องสมาธิปัญญาวิธีการปฏิบัติวิธีเดินมัช เ, เดินผลทํำยังไง อันนั้นฟังจากหลวงตาแต่วิธีการเริ่มต้นอย่างปฏิบัติตนอย่างไรหลวงปู่ล่าท่านสอนอย่างเดินจงกลมอย่างนี้ เ, เข้ามาทีแรกเราจะไปรู้ยังไงเดินจงกลมหลวงปูล่ลาท่านบอกนี้นะปรับสถานที่ให้ให้ตรงให้ราบให้เรียบาทางเดินจงกลมของหลวงปู่เนี่นะ เ, เวลาท่านทําเสร็จแล้วเนะี่ยท่านจะเอาขี้โคนนะรนผสมน้าแล้วก็ แล้วก็มาลา่าเอามือทุบลูกนะไม่ใช่ธรรมดานะคณนะท้าญาติโ ย, ยมลูกหลานนะเอามือลูบทางจงกรมของท่านลูบทางจงกรมเสร็จแล้วก็ให้มันแห้งพอมันแห้งเสร็จแล้วทา่านขึ้นไปนเดินจงกรมทําโพนสูงนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนขุดดินเพราะว่าท่านพระขุดดินไม่ได้เลยมีแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นเณรกุดพอขุดท่านก็ใสปุงกีของท่านโูนดินขึ้นมา ฝนตกขึ้นมาแล้วกันเออเอาเอาดินมาอีกนะกองดินเอาไว้ท่านทะนุถนอมทางทางเดินจงกลมของท่านจริงๆแล้วหลวงปู่ลานะท่านรักในทางเดินจงกลมของท่านท่านทะนุถนอมท่านดูจริงๆทาง lek, Tokyo, ทางเดินจงกลมของท่านเหมือนกับเออเหมือนกับท่านจะว่าไปก็เหมือนวิชาอาชีพเพราะว่าเป็นทางมรรคทางผลของท่านจริงๆท่านใส่ใจจริงๆในทางเดินยจงกลม เมื่อเสร็จแล้วก็ท่านก็ทําเป็นร่องตรงกลางนะทําเป็นร่องขอบขอบไว้สักหน่อยแต่ไม่ทําไม่มากถ้าหากว่าทําเป็นหลังหลังนูนเกินไปมันจะเริ่นเ <c oughs> พราะท่านเพราะท่านทบให้มันแน่นพอแน่นมันจะเลื่ท่านก็ทําให้เป็นแองแองน้องสักหน่อยให้หน้าเดินอี่างี้แหอะจะน่าก็ใส่ทรายเข้าไปสักหน่อยโปรยเข้าไปอย่างนั้นนะท่านถ้าฝนตกเนี่ยท่านก็ลูปทางว่าฝนไม่ตกไม่เป็นแล้วท่าก็เดินตรงกลม เดินสูงประมาณสักทางเดินยองกรมของหลวงปู่สูงเกือบเมตรนะแต่ใหญ่ตีนตีนใหญ่ท่านใส่ใจแต่เดินทางเดินของท่านเวลาท่านจะเดินจงกรมะท่านจะยืนสุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่ง เ, เสร็จแล้วท่านก็ปนนมมือปนนมมือขึ้นระหว่างอกของท่านนะ ท่านบอกว่าเวลาจะเดินอยูงกลมต้องไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนไหว้ครูซะก่อนท่านก็ยึดเดินม า, าท่านอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งท่านก็ปนมมือนะปะนมมือท่านก็ไหวพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจ้วยจากนั้นเอามือลงเรื่องเราจะแผ่เมตตาอีกก็ยังได้ ข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปราถนาทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถิดแผ่เมตตาสะกดจากนั้นกับขาขวาพุธขาซ้ายโถงขาขวาพธซ้ายโถพธ โถพุทโถพุทโถพุทโถถ้าไปถึงสุดทางจงกลมก็เลี้ยวเอี้ยวขวาลักษณะพทักขิดพระทักศิลเลี้ยวเลี้ยวขวาจากนั้นก็พุทโธหรือจะเลี้ยวซ้ายก็ได้สุดแท้แต่ความถนัดของใครเราแต่ควรจะเลี้ยวขวาดีกว่าเพื่อเป็นการพระทักศิลจากนั้นก็พุทโธพุทโถพุทโถ ขาขวาพดขาซ้ายโถกอันนี้ก็คือวิธีการเดินจงกรมเดินนานไหมบางทีท่านเดินทั้งสามสี่ห้าทุ่มบนะอ่อมีกับโปะ๊ะมีต้นไม้มีท่อนไม้ขึ้นมาแล้วก็ตีไม้กระดานไว้ข้างบนแล้วก็มีเทียนแล้วก็น้ำมันกาดสมัยนะั้นหาเทียนยากนะมีแต่น้ำมันกาดมันไม่เป ล, ลืองก็ใส่เทียนเข้าไปในกระป๋องเข้าไป แล้วก็ท่านก็มีโปะตะเกียนโปะเล็กๆ เ, เพื่อมาให้มแมลงมันบินชนไฟไฟไหม้ปีกของมันท่านก็มีนั่นแหละกระโปะเล็กๆครอบจากนั้นท่านก็เดินอย่งกลมเบางที3 4 5สี่หทุ่มท่านยังเดินอย่งกลมของท่านลงปู่ท่านขยันเท่งขนาดนั้นเพราะนั้นท่านจึงพิถีพิถันมากทางเดินอย่งกลมของท่าน เวลาท่านจะออกจากทางเดินยังกรมท่านก็ประนมมือซะก่อนไหวพุทโธธทำโมสังโฆซะก่อนจากนั้นท่านก็ลงจากทางเดินยังกรมขึ้นมาท่านก็ไหว้พระแต่การสวดมนต์ขององค์หลวงปู่ของเราเนี่ยนะท่านสวดบางทีท่านสวดมหาสมัยสูตรนท่านสวดได้นะอดิตอาจารย์อดตธ น, นัตธรรมจักเนี่ยธรรมจักอนัอนตตะรคณะสูตรอดิตตปริยายสูตร หลวงปูส่สวดได้ทั้งหมดมหาสมะมหาสมยาสูตรหลวงปูส่สวดได้ทั้งหมดหลวงปูส่สวดมนต์เก่งนะจากนั้นท่านก็สวดเป็นบางครั้งท่านก็ไม่ได้สวดทุกวันพอเสด็แตและท่านก็มานั่งภาวนาของท่าน อ, อ, อันนี้ก็คือวิธีการชีวิตขององค์หลวงปู่พอถึงตอนเช้าเท่านั้น เ, เราก็เป็นเนยน้อยเราก็อยู่ข้างล่างอยู่ในถ้ำนั่นอยู่ในถ้ำที่หอชันพระเนะี่ยมี แต่แค่ตัวหนึ่งติดกับพระติดกับพระพุทธรูปใหญ่นะั่นน่ะเป็นพื้นไม้ไผ่ฝาไม้ไผ่ที่อยู่ข้างๆพระติดกับแท่นแท่นพระเลยลนะ่ะหลวงพ่อเองเป็นเนรน้อยก็นอนอยู่ที่นั่นลนะ่ะนอนกับพระพุทธรูปอ่างั้นอนะ่ะพอต น, ต, นตื่นเช้ามาพอสว่างขึ้นมาพอเห็นถนนหนทางนะพอดูพอไม่เห็นไอ้ข้าวบอกกลัวที่สุด ก, ก็คือกลัวงูฮะ เราก็ขึ้นมาแล้วก็สังเกตพอหลวงปู่ท่านก็สอนนะให้ระวังนะจะไปเหยียบที่ไหนให้ระวังนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองตั้งแต่บวชเข้ามานะอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ในภูเจ้ากนะเนี่ยหลวงพ่อได้รับแนวความคิดจากองค์หลวงปู่ล่าเนี่แหละงูไม่เคยกัดหลวงพ่อเลยนะท้งนี้ถอยหลังนะแต่นี่ไปทางหน้าก็ไม่รับรองว่างั้นเถอะแต่ทั้งนี้ถอยหลังไม่เคยมีงูกัดตะขาบกัดก็ไม่มีแต่แมลงป่องมีนะ เพราะอะไรเพราะการสังเกตเพราะหลวงปู่ที่ท่านให้สังเกตอย่างมากๆสมัยอยู่กับท่านพราะภูจก้อนงูเยอะสมัยนั้นอะ่ะงูเล็กงูน้อยงูกระปงงูกระปะบางทีมันอยู่ในเอาผ้าพ้าไปหลังบาดมันยังขึ้นไปอยู่ในระหว่างฝาบาดกับผ้าอาบน้ําอีกต่างหากเ<อ>พราะฉนั้นหลวงปู่จะไม่ให้ผ้าจังตรงที่สายบาดต้องเอามาพับไว้กับพื้นให้ ใ ห, ให้เรียบร้อยท่านจะไม่ให้วางอย่างนั้นมันงูงูเข้าไปหลบอยู่ที่นั่นมันไปหากินจิ้งจกกลางคืนจิ้งจกจิ้งเลนเมันไปหลบไปซ่อนนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการที่หลวงปู่แนะนำสั่งสอนจากนั้นพอเราขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยพอสว่างเราขึ้นมาขึ้นมาเฮงหลวงปู่ลงเดินจะกมแล้วน ะ, ะบางทีลงมาตื่นเตือ น, นตีสามตีสี่ตีสี่ บางทีเกิดจุดทยไฟแล้วก็เดินจงกลมพอเราขึ้นมาก็นสว่างนะท่า น, นก็ดับเทียนละดับไฟละท่านก็เดินแต่บาทของท่านนะ่ะท่านเอาไปไว้เนะี่ยเอาไปไว้ทางอีกทางหนึ่งแต่พาสั้งคาตินอยู่กับท่านนะเอาบาทของท่านเอาไปวางไว้ก้อนหินที่หน้ากุฏิท่านขมัดสายนะมัดสายทบไปทบมาท่านมัดเราเป็นเนน้อยขึ้นมากันละเอาสายมากับจะ ใครก็ตามนะไปจับบาทหลงปูนะไปยืนก่งโคง้งแล้วจับไม่ได้นะท่านบอกบริขารของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บริขารของเราคอยใจไหมต้องให้นั่งซะก่อนนั่งคุกเข่าซะก่อนจึงเอาเอาสายบาทขอ้ของที่คออย่าไปยืนก่งโคง้งแล้วไปเอาสายบาดขึ้นมาไม่ได้ต้องนั่งซะก่อนอันนี้ถ้าหากว่ า, าผู้บา ท, ทั้งหลายน้องนุงทั้งหลาย ที่หลวงพ่อพูดในพวกเราท่านทั้งหลายคงจําได้เวลาจะเอาสายบาดคล้องคอเนี่ต้องนั่งสะก่อนอนั่งยองๆสะก่อนจากนั้นเอาบาดมาคล้องคอเตัวเองต้วค่อยลุกขึ้นท่านจะไม่ให้ยืนแบบโค้งๆแล้วก็หยิบสวยเอาบาดไปถ้าทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าหลวงปู่เห็นแล้วก็เออเป็นเรื่องราวแล้วกันด่าปั้งเลยเทําไงไม่ครบรัในอัธบบริขารบริขารของพระพุทธเจ้านะีอันนี้ก็คือ เวลาเราขึ้นมารับบาดลงปู่พอเสร็จแล้วเนะี่ยเราเป็นเนนน้อยพอถินบาทแล้วก็เราก็ยกมือไหว้บาทลงปู่ซะก่อนนะยกมือไหว้เสร็จแล้วเราก็าบาดคล้องสายบาทคล้องเขาคล้องคอนะคล้องคอมันเพราะลงปู่มัดสายไปแล้วนี่พอจะเอาสายยาวลงปู่เพนุ่นไปถึงหัวเขานะั่นนะถ้าว่าลงปู่ไม่ทบสายไปให้น ะ, ะลงปูก่กระทบมัดสายไปแล้วเราก็ปนมือเสร็จแล้วก็คล้องคอ บาดก็อยู่ในระหว่างเอวนี่แหละเราก็พยายามค่อยลงประคองลงไปแต่ท่ว่าจำได้ไม่เคยไม่เคยทำให้บาดลงปู่หกล้มนะไม่เคยพาลบาดลงปู่แตกว่างกันแไม่เคยหกล้มรักษาถึงขนาดนั้นะเพราะท่านบอกแล้วบอกอีกเพราะบาดสมัยนะั้นไม่ใช่บาเดเจตันเลดอย่างนี้นะเป็นบาดเผาเผาฐานนะมีสเก็ต เวลาหกถ้ามันแตกเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วทนีเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังอย่างมากที่ดูแลบาดองหลวงปู่พอลงไปถึงข้างล่างนะเป็นเนนน้อยกัมพีหลวงตาหลวงตาเทก็หลวงโยมหลวงพ่อของหลวงพ่อหลวงตาหลวงตาแดงที่เป็นคุณพ่อเป็นหลวงพ่อของหลวงพ่อเนี่ยท่านก็อยู่ข้างล่าง จากนั้นท่านก็มัดบาทของหลวงปู่ฮะมัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็หลวงปู่ก็ได้เวลาไม่มีนาฬิกานะบางทีท่านก็เดินโยกโกมจนเพลินเหมือนกันเลบางทีเราก็ไปคอยอยู่หน้าบาดบางทีก็หลวงปู่ลงนานลงมาแล้วเกินเพราะท่านเดินโยกโกมท่านก็เพลินของท่านฮะบางทีท่านก็คลองผ้าจากข้างบนท่านก็เดินลงไปไปปีนทับาทพอปินทบาท บ, นทบาดกลับมาแล้วบางทีท่านเอา ปิบนะปิบไม้ปิบไ้ด้วยคอนไม้คอ น, น้ําขึ้นมาด้วยจากจากทางปินนับบาพวกเราก็เอาบาทขึ้นมาหลวงปู่ก็คอนปิบขึ้นมาเพื่อเป็นน้ำล้างบาทนี่แหละเราอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยความลำบากแต่หลวงปู่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงๆในการชีวิตของหลวงปู่ที่ท่านอยู่ภูเจาะพอขึ้นมามา ถึงที่อยู่ในถรร้มก็มีพื้นมีไม้กลมๆแล้วก็มีไม้ไผ่เป็นฟากนะเป็นสองชั้นนะเหมือนสองชั้นอย่างเดียวนี้แหละแต่มันเป็นพื้นไม้ไผ่พักพักสงก็เป็นพักข้างบนก็เป็นหลงปูนั่งแล้วก็กระโถนก็เป็นกระโถนไม่ใช่กระโถนกระเบื้องอย่างทุกวันเลยนะไม่ใช่กระเบื้องสังกะสีอย่างทุกวันนะ เป็นกระบอกไม้ไผ่เราตัดไม้ไผ่มาประมาณสักป้องหนึ่งเราก็ตัดมาแล้วก็เวลาเวลาลงไปต่อช้าเนี่ยเราต้องนอนไว้ก่อนนอนไว้นะถ้าเราเดินอยู่ไม่ฟากมันจะหกลม้มใช่ไหมล่ะเออทีนี้เราก็นอนไว้ก่อนพอเรานั่งประจำที่จะชันจังหารแล้วก็ประจำที่แล้วก็ยังค่อยเอากระโถนนะตั้งขึ้นมาจากนั้นเราก็ อาหารที่เราได้มาเนี่ยอพวกอใบตองกล้วยพวกอะไรไม่มีหรอกถุงพลาสติกนะมีแต่ข้าหอใบตองกล้วยเสร็จแล้วเขาก็จับใบตองกล้วยยัดตรงไปในกระกระบอกไม้ไผนะ่นั่นแหละเป็นกระโถนเอเสร็จแล้วก็ฉันจังหารเสร็จแล้วก็ไปล้างบาดล้างบาดกันเอากะโถนไปเทออกอแต่หน้าก็ล้างกระโถนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สมัยนะั้นสบู่ยังไม่มีนะการท้าทายญาติโยมนะสบู่ยังไม่มีแฟบไม่มีเอาเนี่ยแหละใบหญาเสือหมอบเนี่ยนะแล้วใบตะไคร์เนี่ยมาทบๆๆให้มันขยี่เข้าไปแล้วก็เอามาขคยี่ก็ถูบาดแช็ดบาดล้างบาดเพื่อดับกลิ่นนะดับกลิ่นของบาดพอเสร็จแล้วก็ทำล้างน้ำสองสามรอบน้ำพออดอ ด, ดอีกต่างหากนะ ใช้ด้วยความประหยัดอย่างมากๆเถื่องน้ําน่ยเพราะมันออกขนขึ้นมาลําบากฮะจากนั้นก็มาก็ดูให้กล้าให้สะอาดเสร็จแล้วก็มาเช็ดให้แห้งพอเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วก็หลงพ่อเน่ยเป็นเนยน้อยก็กลับขึ้นมาก็มาส่งละส่งบาทหลวงปู่ก่อนที่จะมาส่งก็เอามาตากแดดซะก่อนนะถ้าวันไหนมีแดดต้องเอามาตากแดดผึงแดดซะก่อนเพื่อให้มันหายดับกลิ่นเนะสร็จแล้วก็ขึ้นม า, ข, นมาขึ้นมาก็มาวาง วางสายบาดวางยังไงเนี่ยทั้งมีอีกนะพอวางสายบาดเนี่ยต้องพับสายบาดไปข้างหน้าเท่ากับศีรษะท่านนอนไปทางไหนก็พับสายบาดไปทางนั้นแหละเสร็จแล้วก็เอาวางฝาบาดเอาไว้ข้างๆเพื่อให้ไม่ให้ไม่ให้มันมีกลิ่นถ้าปิดไว้เลยมันมีกลิ่นเสร็จแล้วก็ตอนเย็นมาเราขึ้นมาทําความสะอาดมาเช็คมาอะไรกุฏิของหลวงปู่มาดูกระโถนมาดอาูอะไรเสร็จเรียบร้อยนะ เสร็จแล้วเราก็เอาบาดครอบไว้เอา้าบาดครอบไว้แล้วก็เอาสายบาดพับไปไปอย่างหลงที่ท่านบอกนะั่นนะไปทางศีรษะของท่านนะ่ไปทางที่ท่านนอนของท่านนะ่ดูผ้าคลองอยู่ที่ไหนกระโถนไว้อยู่ที่ไหนะสิ่งเรล่านี่แหละคือหลวงพ่อเองเป็นเป็นเนรน้อยนะดูแลป น, นิบัติหลวงหลวงปู่สมัยนั้นยังไม่มีใครเนะี่ย เพราะนั้นถ้าถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อนี่คล่องนะพ่อเหตุไรเพราะหลวงปู่สอนจนอจนสอนจนคล่องเลยว่างั้น แ, แต่นี้วิธีการเดินโยกมลมหรือวิธีการเป็นอยู่ที่วิธีการนั่งนั่งภาวนาหลวงปู่สอนอย่างไองท่านบอกว่าเมื่อเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลากลับขึ้นมากุฏิแพอถึงกุฏิแล้วก็ให้ล้างเท้านะ การล้างเท้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเทน้ําใส่พวดผ้าแล้วก็ตีนถูกันไม่ใช่ได้เวลาล้างเท้าเนี่ยขึ้นมาก็มาเอานั่งสักก่อนพอนั่งเสร็จแล้วก็เอาขันตักน้ํำพอขัดตักน้ําเสร็จแล้วก็เทเทใส่ฝ้าเท้านะเทแล้วเอามือข้างหนึ่งถูถูถููถูถูล้างเท้าตัวเองนะเอามือล้างจริงๆนะจากนั้นก็เอาข้าเท้าข้างนี้ยกขึ้นมาอีกล้างล้างล้างเท้า เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะวางฝาฝาองหรือขันท่านจะไม่ท่านก็สอนอีกเหมือนกันนะไม่ให้วางตรงตรงถ้าว่าในในถ้ำมันมีอยู่สองสามองค์ด้วยกันใช่ไหมละ่ะมีหลวงปู่หลวงตาเวลาจะวางขันน่จะไปวางตรงตรงไม่ได้นะมันดังงกลองท่านบอกว่าเวลาวางฝาปิดองน้ำต้องเอาแตกข้างใดข้างหนึ่งก่อน พอแตะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจค่อยงับลงมามันจะไม่ดังนะถ้าระวงังถ้าจับตรงๆวางลงไปแต่มันดังนะของล ง, ลงมันเสียสมาธิสําหรับผู้อยู่ใกล้กันเพราะนั้นเราต้องระวังเพราะการอยู่ด้วยกันใกล้กันอย่าให้มีเสียงเนี่ยพรเราตลอดทึ้งการวางขันน้ําก็เหมือนกันท่านก็ไม่ให้มีเสียงอีกเหมือนกันเวลาจะยกฝา ฝาประตูนี่ก็ไม่ใช่ฝางับนะมันเป็นฝาที่ไม้คานนะเป็นหูอเวลาลูดก็ลูดค่อยๆยกซะก่อนพอยกหูขึ้นไปพอปิดแล้วก็คัดให้มันแน่นที่พักของตนเองน่แหละพอเสร็จแล้วเราก็เข้าไปกุติกระหรันศีรษะไปทางหมอนนะแตนิไหว้พระนะอลาหังสาวาคาโตสุปฏิปโนโนโมตัสสะ สุดแท้แต่เราจะท่องสาธ า, ายตัวไหนตัวไหนได้จากนั่นก็แผ่เมตตาอาหางสุกิโตโหมิแต่ถึงยังไงหลวงปู่ท่านก็บอกว่าถึงจะพูดอาหารสุกิโตโหมิก็เถอะมันยังแปลไม่ได้เราแปลไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าข้าพรเจ้าขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อวิญญาณต่อภูมิมะลุขเทวดาทั้งหลายสิ่งสถิตยอยู่ณสถานที่เหล่านี้แห่งนี้ ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ปาฏพาดพังยังไงก็ขอให้อโหสิให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะส้ำรวมระวังต่อไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพเทพไปเจ้าเราเทวาจากนั้นก็แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าว่าเราไปอยู่นสถานที่ไม่เคยไปและไม่เคยอยู่ ให้แผ่เมตตาว่าข้าพเจ้ามาณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ ม, มาเพื่อหวังเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำไม่ได้ ม, มาเพื่อเป็นอย่างอื่นข้าพเจ้ามาเพื่อภาวนาหาทางพ้นทุกต้องนึกอย่างนี้ไปอยู่ณสถานที่ใดไม่เป็นพิษเป็นภัยทิ้งเหล่านี้หลวงปู่ท่านสอนหมดนะจากนั้นท่านก็สอนว่าเวลาเราไหว้พระเสร็จแล้วเรียบร้อย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 เวลานั่งคัดสมาติเราสมมติอยู่ในถ้ำนะท่านบอกไว้ให้หันหน้าออกไปทางนอกถ้ำนะคือท่านไม่ให้หันหน้าเข้าหาฝาผนังถ้ำนะถ้ามันจะทำให้ง่วงท่านอเราต้องอหันหน้าออกไปทางข้างนอกให้มันอย่างที่เปิดเผยนะเมื่อข้างนั่งคัดสมาติเรียบร้อยแล้วนะขาขวาทับขาซ้ายแล้วนะ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 แผ่เมตตาจุดนี้คล้ายๆกับว่าใจของเราเนี่ยไปค่องแวะด้วยอารมณ์โมโหโกธากับผู้ใดใครผู้หนึ่งอยู่เราในช่วงที่เรานั่งสมาธิเนี่ยอย่าไปโกรธผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดวางไว้ก่อนถึงจะโกรธยังไงก็ให้วางไว้ก่อนอย่าเอามาในขณะที่นั่งสมาธิยยามันจะจิตใจมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบ อันนี้หลวงปู่ท่านก็สอนจากนั้นท่านก็ให้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วกาหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทอย่าไปแต่งลมนะคือให้ให้ให้เป็นธรรมชาติใ ห, ให้หายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้แหละคือวิธีนั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่อย่าไปแต่งลมถ้าไปแต่งลมนั่นไม่ดีแล้วก็เราจะบริกรรมหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับไปเกิดดับเกิดดับก็ได้คำว่าเกิดํำนี้ก็คืออันนี้ดับก็่นคืออะไรเกิดแล้วก็ตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดมาแล้วก็ตาย ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นจากความตายไปได้อันนี้การภาวนาอย่างนี้ให้เห็นเป็นอนิจจ์คือของไม่เที่ยงจะว่าเกิดดับเกิดดับก็ได้นะเรียกว่าจะบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธก็ได้อันนี้คือหลวงปู่ท่านสอนเพราะวลาขณะที่นั่งร่างกายส่วนอื่นมันไม่ได้เคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นให้กาหนดลมหายใจ เข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องนะไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกนะให้ยือนอยู่เหมือนกับยือนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นอ่ะมีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเวลาลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกก็รู้ว่าลมออกจากนั้นก็อันนี้คือวิธีการนั่งส่วนเดินเวลาเดินไม่ต้องกาหนดลมนะ มันจะสับสนให้กำหนดที่ที่ขาเพราะว่าการเดินโยกม่มมันมันมันมันเคลื่อนไหวที่ขาเราเอาสติไปอยู่ที่ขาอยู่ที่เท้าหาเวลาเดินจงกรมขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพดโถอันนี้ก็คือวิธีการที่หลวงปู่ที่ท่านแนะบอกกล่าวแต่เวลาจะออกจากวิธีนั่งสมาธิหรือวิธีออกจาก ก่อนที่จะออกจากาทางเดินยงกลมวิธีจะออกทุกครั้งอย่าลืมแผ่บุทิศวนกุศล น, นะประนมมือขึ้นระหว่างหกซะก่อนนึกพุทโธธรมโมสังโฆเสร็จแล้วนะคื อ, ค, อคือไหว้ครูอีกรอบสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิจากนั้นเราก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญสมาธิในคราวนี้ครั้งนี้ถึงจะจิตสงบ บ้างไม่สงบบ้างคิดปงฟุงไปทางอื่นบ้างบริกรรมบ้างด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในคราวนี้ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาขาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรขอให้มีความสุขท่วนหน้ากันข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรท่านเหล่านั้นก็ขอให้มีความสุข อย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาทุกๆกวิญญาณด้วยเถนะิดจากนั้นยังค่อยออกจากสมาธิจากนั้นเราจะพักผ่อนเรายังค่อยพักผ่อนในเมื่อพักผ่อนนอนตะแคงขวานะถ้าเป็นไปได้พอนอนตะแคงขวาแล้วบริกรรมพุทโธพุทธโธสำหรับสำหรับเราเนี่ยเรานอนไม่ค่อยหลับนะเรานอนนอนภาวนาเนี่ยเอ า, อางไงก็ได้ เนี่ยบางที่นอนหลับไปเนี่ยเหมือนกับตัวเองลอยขึ้นไปในอากาศขวางอยู่ในอากาศก็มีนี่แหละเวลาเราเวลาเรานั่งเรานอนภาวนาเออมันเหมือนกับมันอยู่ในอากาศร่างกายของเราอันนี้เป็นมากต่อมากท่านว่านะอันนี้ก็คือท่านหลวงปู่ท่านแนะนำมิแนะนาวิธีการปฏิบัติสำหรับเนนเนเนอิน เด็กชายอินตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเพราะนั้นคณะจัาาตยาโยมลูกหลานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังในรายละเอียดอย่างนี้ถ้าว่าลูกหลานคณะจัาาตยาโยมจะนำไปปฏิบัติหรือว่าแนวทางขององค์หลวงปู่ล่าที่ท่านสอนให้หลวงพ่อจะนำไปปฏิบัติหลวงพ่อว่าแบบเดินไปไม่กระดะับถูกต้อง แต่ว่ามือลงปูร่าท่านบอกเวลาเดินจงกรมเนี่ยอย่าไปเอามือคขวยหลังลงปู่มั่นท่านบอกว่าอย่าเอามือคขวยหลังถ้าเอามือคขวยหลังเนี่เหมือนกับนักเลงท่านักเลงเดินเหมือนนักเลงถ้าเอามือกอดอกเหมือนเจ้าทุกข์ท่ถ้าว่ามือไกลไกลไวแขวนธรรมดาอันนั้นแปลว่าท่าไม่ไม่เคารพถ้าท่าลำพึงท่าคุ้นคิดต้องเอามือประสานไว้ที่หน้าท้อง เนี่ยถ้าหน้ า, ห น, าหน้าท้องน้อยนะ่อเอามือขวาเอามื อ, อขวาข้างในมือใช้มือข้างซ้ายอยู่ข้างนอกถ้าหายขึ้นมาก็ใช่มันเหมือนกับเรานั่งสมาธิมือขวาขวาอยู่ข้างในมือใช้ยอยู่ข้างนอกนะจากนั้นก่อนเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะที่คุณคิดเหมือนกับเดินหาอันใดอันหนึ่งอยู่นะคล้ายๆว่าเป็นแนววิธีการเดินจงกลม เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจทหาญาจมนะไปเดินนัสถานที่ใดเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาเดินหลวงพ่อว่าเดินถูกทางอ่าเป็นชลิเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นการวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์หลวงปู่ล่าท่านเดินมักท่านเดินมักท่านเดินอย่างนี้ แต่จากนั้นท่านให้เดินให้พิจารณาท่านให้พิจารณาอย่างไรเดินวิปัสนาอันนี้คือสมถัตินะธรรมะธรรมะสมัตในทำจิตใจให้สงบแต่โดยมากหลวงปู่ท่านจะสอนหลวงพ่อหลวงปู่ท่านสอนในลักษณะอย่างนี้ใ ห, ให้หลวงพ่อจากนั้นท่านก็พูดเรื่องวิปัสนาคือแนวความคิดพิจารณาร่างกายพิจารณาอสุภะพิจารณา แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายแต่หลวงปู่ผู่ผูท่านก็สอนอยู่บ้างแต่ไม่ไม่เน้นหนักเหมือนหลวงตาจุดนี้นะหลวงหลวงพ่อเองได้ไปเปศึกษาในองค์หลวงตาในจุดนี้หลวงตาจะเน้นเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสภายในใจ เ, เรื่องอดนอนผอนอาหารหลวงปู่ล่าท่านจะไม่สอนเรื่องการอดอาหารท่านจะไม่ท่านจะไม่ได้แนะนําแต่พอไปถึงองค์หลวงตานะ หลวงตาบอกว่าเอ้ยพระน้อยพระหนุ่มนะวิธีจะปฏิบัติจะเอาชนะตัวเองได้นะเหมือนกับช้างน่ะเราไปส่งเสริมมันไม่ได้นะร่างกายมันแข็งแรงมันมีกําลังขึ้นมาแล้วมันเอาไม่อยู่นะมันลังไม่อยู่นะต้องทรมานมันเหมือนกับช้างน่ะก่อนที่เราจะเอาให้มันอยู่ได้เมื่อต้องมัดขามันใส่ต้นไม้ซะก่อนแล้วก็ขึ้นไปขี่ถ้าะมัน คึกขอนอกระึ้นไปเอาขอสับหัวมันลักษณะอย่างนั้นอ่ะคายทรมานมันอให้มันอยู่ซะก่อนอค า, ายๆก็ว่าอดนอน อ, อดอาหาราทดลองผ่อนอาหารดูถูกกับจริญไหมถ้ามันถูกกับเจริตอก็ดําเนินการต่อถ้าหาว่ามันหิวพอมันหิวขึ้นมาแล้วคิดอะไรไม่ออกอย่างหลวงปู่ขาวเลยท่านบอกว่า อ, อดอาหารกับผมเนี่ยว่ถูกกันไม่ถูกกัน่ พออดอาหารพอหิวอาหารท่านมันตาลายเลยเหมนนนะมันเติตอะไรไม่ออกเลยเอออันนั้นคือไม่ถูกกับจริตแต่หลวงตามหาบัวท่านบอกเรานี่ถูกกับจริตในการอดอาหารเ อ, อพอเราอดอาหารขึ้นมาใจมันคล่องแคล่วมันว่องไวมันปลาเปลียวสติอยู่กับตัวเองคันเหตุการณ์เราเนี่ถูกกับจริตในการอดอาหารนะนี่แหละอันนี้ท่านก็ท่านก็ ไม่ใช่ว่าท่านจะบอกให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ให้ทดลองอยู่ฮะแต่หลวงพ่อเนี่ย เ, เข้าตำราขององค์หลวงตานะอดอาหารได่ถูกกันแต่อดนอนไม่ถูกกันเออดนอนพอนอนอดนอนวันที่หนึ่งก็พอิบทำเนา่าพอไหวพอวันที่สองที่สามเนี่ยตาเหลืองไปหมดเลยตินี้เออมันเบลอไปหมดเลยเอพอมองอะไรมันคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะมันง่วงฮ มีแต่จงหัวจะจดพื้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้แต่ถ้าว่าอดอาหารเนี่ยความง่วงหมดไปเลยเลยเพราะมันหิวอาหารไม่มีอาหารอยู่ในท้องเนี่ยความง่วงเหงาเหงาหนอนหมดไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นการอดอาหารในโทกับจริตนี่ยนี่แหละวิธีการของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตานะขอให้พวกเราคณะทถาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอันนี้คือวิธีการ เดินวิธีเดินสมาธิและเดินมัคแต่เรื่องทานเรื่องศีล น, นั้นหลวงพ่อจะไม่อธิบายเพราะว่าพวกเราเนี่ยคณะรัตยายาโฉมลูกหลานวิธีการทําบุญทำทานก็รู้อยู่แล้วนะเรื่องศีลการรักษากายวายาให้เรียบร้อยชื่อวศีลสําหรับกระวาดญาติโฉมก็คือศี 5, ลห้าหลวงตาหลวงปู่ท่านเน้นหนะักจากนั้นถ้าก็เน้นเรื่องอบา ย, ยมุขอีกนะ เล่นเล่นบัตรเล่นเบอร์โอ้หลวงตาเนี่ยหลวงปู่ล้านไม่ถูกกันเลยนะไม่ถูกกันเลยเรื่องเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เนี่ยสมัยเป็นเนตรน้อยหลวงพอ่อยู่ที่นี่นะใครมาเนี่ยตาจ้องมาอะไรเนี่ยโดยมากคนมาข่าว น, นก็มาถามฝันบ้างมาจับคาพูดหลวงปู่บ้างลักษณะอย่างนั้นนะหลวงปู่ก็รู้ว่าเขามาเหล่านั้นใช่ไหมอพอเขามาแล้วก็ฉันอยู่จังหันอยู่ที่ถ้ะ คนมาแปลกหน้าหลวงวันวันนั้นหลวงพ่อยังจ ำ, จำไม่จําไม่ลืมท่านก็ถามว่ามายังอกยมากราบมาไหว้หลวงปู่นี่แล้วบอกเคยเห็นก็เลยมาไม่ใช่หรอกมันมาหาเบิร์มั่งเนี่ไม่ใช่ครับผมมากราบหลวงปู่ใช่เหรอใช่ครับมากราบมาไหว้หลวงปู่เขาก็กลัวใช่ไหมเหรอลุลงปู่ตัวลายต่างหากตัวใหญ่อีกต่างหากใช่ไหมหลวงปู่ว่า ไม่ใช่ละเราไม่เชื่อเอา้หาหันหน้าไปทางพระประธานออุภาที่องค์อยู่ในถา้าใช่ไหมล่ะหลวงปู่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละเอา้าข้าวพเจ้าอข้าวพระเจ้ า, า, จามานสถานที่นี่มานสถานที่นี่ไม่ได้หวังวัดบัดหวังเบอร์คนนั่งเงียบเก็บเลยทีย่นี่พูดเลยเดะเราว่าแล้วเนี่อมันพูดมันปากมันปีกอย่างหนึ่งใจมันอีกอย่างหนึ่งแนหะ เออใครคราว่าจะให้เขาสาวบทสาบานว่าเงั้นเถอะเออเอาขนาดนั้นไอ้หลวงปู่นี่ยงั้โอ้เออเขาใครเข้ามาหาหลวงปู่เนี่ยเออพอแรงมั่นกันไะแต่เนหลวงหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงตาผ่านไงพอหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อก็กลับมาเอามากับมากับหลวงโอ้หลวงเออหลวงปู่รับว่ะที่กระผมไปอยู่กับหลวงตาเนี่ยท่านไม่ได้เอาขนาดที่ลอกหลวงเออหลวงหลวงปู่ครับ่ เพราะว่าใครมาหาเขาจะไปจับสาบานทั้งหมดก็คงไม่ได้ เ, เพราะว่าใจของเขามันก็คงจะมีนั่นแหละเรื่อง อ, อยากจะได้เรื่องอบัตรเรื่องเบอร์แต่ถึงหนึ่งยังไงหลวงปู่ก็ควรจะยืดหยุ่นยืดหยุ่นสักหน่อยก็ดีหลวงปู่เพราะมันจะทําให้เขาลําบากใจเลอะเกินว่ะเพราะนั้นถ้าาว่ามันเลบออกมาจริงๆหลวงปู่จะค่อยด่าค่อยว่าถ้าอยู่ในจิตใ น, ในใจเขาเขาจริงๆ หลวงปู่ก็จับมาสาบดสบานทีเดียวมันก็คงจะไม่ไม่ได้หรือมะหลวงปู่ครับผมเออจากนั้นหลวงปู่ก็เลยค่อยๆถอยๆอ อ, ออกเหมือนกันนะ <c oughs> เออพอเราเอาเอาแนวปฏิปทาของหลวงตามากราบมากราบท่านเออท่าจดแต่ก่อนโอ้ไม่ได้จริงๆนะหลวงปู่นี่นะเออเอาจริงเอาจั ง, เ อ, จงเออถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อก็ถามเท่าแก่สมหมายนี่ก็ได้ ต้องแก่สมัยที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยโดนทั้งหมดรู้ทั้งหมดน่ะเพราะกันจะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละอันนี้แหละแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นผู้เ อ, อเป็นผู้เชื่อมั่นเป็นผู้ชื่อตรงต่อหลักพระธรรมบิดาเป็นผู้จงรักภักดีจริงๆต่อหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะเ อ, อท่านบอกข้าพรเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยืนทั้งเดินทั้งหลับทั้งตื่น จนไม่มีระหว่างในแนวความคิดขอมอบกายถวายชีวิตตลอดนะพูน่ะไม่ใช่ธรรมดาได้หลวงปูล่ลาของเราเนี่ยเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้ฟังแนวแถวปฏิปทาหรือว่าแนวความคิดขององค์หลวงป้าปู่แล้วก็ซาบซึ้งใจนะคะ่นะนัก ท, ทายญาติโยมลูกหลานจนได้ลงจนได้ดำรงทรงศาสนามาถึงป่านนี้แหละอายุหลวงพ่อเดี๋ยวนี้นะอย่างที่บ้านย เออเจ็ดสปีต่อปีนี่พระพรรษาพรรษาพระห้าสิบพรรษาเนนอีกปดห้ดพรรษาที่ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนายาวนานถึงขนาดนี่แหละหลวงพ่อหลวงพ่อเสียใจไหมที่ได้ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนายาวนานถึงขนาดนี้หลวงพ่อเองภาคภูมิใจอย่างมากกานทุกข์กานโอ้ ชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ไม่ได้แปลกไม่ได้แปลกเปลือนออแปลเปลื้อนด้วยราคะโทสะโมหะไม่ได้เบียดเปลี่ยนสัตว์อื่นแต่ถึงยังไงข้าพเจ้าก็อาศัยพี่น้องชาวบ้านเป็นผู้มาทำบุญข้าพเจ้าก็ได้ฉันได้อยู่ได้ฉัน อ, อ, อาหารจากพี่น้องศรัท ธ, ธาญาติโยมจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภ า, าละลาบยศสารเสริญสุขหนา้าโดยอั น, นิสงศีลอันนิสงธรรมอันนิสงปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าสิ่งเหล่านี้เราก็ได้อุทิศในจิตในใจทุกวันอก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ทุกครั้งอย่างสเพสตาเอ สดาหุนตุอย่างเนี้ยอแล้วก็หลวงปูล่ลาท่านก็สอนนะเอถ้าหากว่าเราไปบินทบาทมาฉันแล้วเราเวลาเล่านั่งสมาธิเราปฏิบัติเอถ้าหากว่าเราไปฉันอาหารของชาวบ้านแล้วเราไม่ได้มาภาวนามีแต่คิดเรื่องพูดเรื่องสเพเฮละเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องคนนั่นคนนี้เอออันนั้นแปลว่า เป็นหนี้เป็นหนี้เขานะ่ะเป็นหนี้ชาวบ้านเขานะ่ะถ้าว่าเราปิณฑบาตมาฉันแล้วนั่งสมาธิพิจารณาร่างกายพิจารณาหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเกิดความเกิดความเสื่อมไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นอนิจจังเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มค่าข้าวเขานะ่ะเออ นี่แหละในพันท่านกับในพระไตรปิดกมาพูดนะหลวงปู่นะท่านบอกว่าให้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มค่าข้าวเขาแต่ถ้าว่าเร า, เาไม่ได้ภาวน า, ามีแต่คิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเนี่ยไม่คุ้มค่าข้าวเขานะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่แนะนำสั่งสอนถ้าจะว่าไปา เ, าเก็ดเล็กเกตน้อย เ, อเรื่องต่าง ได้รับความรู้จากองค์หลวงปู่มากทีเดียวเลยนะที่หลวงพ่อพูดแนะนำบอกกล่าวให้คณะทศธาญาติโยมได้ฟังอันนี้ยังยังยังน้อยเกินไปอีกต่างหากนะเพียงนึกได้ขึ้นมาแล้วมาพูดให้ฟังบางทีก็นึกออกไปแล้วยังนึกได้อีกจุดนั้นลืมพูดไปว่ะอย่างนี้ก็มีแต่เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าหลวงปู่แนะนาสั่งสอน ใ, ให้พวกเราแนวความคิด แนวความคิดสติปัญญาและการวางตัวการอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติต่อผู้มีอุปกรณคุณมีมากที่หลวงปู่แนะนําสั่งสอนสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อพูดได้แล้วว่าหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนอย่างหลวงพ่อปู่สอนหลานปู่สอนหลานแต่ลูกหลวงตาสอน สอนหลวงพ่อหลวงพ่อจะเข้าไปรับอทำคําสอนจากองค์หลวงตาเนี่ยแปลว่าอาจารย <PTSD> <ร dakika S 1> ์สอนศิษย์ทําไมมันต่างกันยังไงปู่สอนหลานอาจารย์สอนศิษย์มันต่างกันยังไงปู่สอนหลานนี่ถึงหลานจะคึกขนองยังไงปู่พอใจไม่พอใจยังไงปู่ก็ต้องโอ้ออข้อหลานของตัวเองฮอถึงยังไงก็พยายามแนะนําบอกกล่าวข่าวนี้ได้ข่าวหน้าไม่ได้ข่าวนี้ดุ แต่ข่าวหน้าก็ดีอจะดูตลอดก็ไม่ได้อันนี้คือปู่สอนหลานแต่อาจารย์สอนจิ์ตไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์สอนจิ์ี่เตหลวงตามหาบวัวเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยตาขมง้งแพลบืออมันทํำยังไงทําอย่างนั้นฮะพระองค์นี้นะอย่าให้เห็นอีกนะหนักวัดนะหนีนะถ้าทําตัวอย่างนี้อย่าให้เห็นอีกนะทําอย่างนี้นะ โอ้ไข่โดนเข้าไปแล้วก็ในวันท่านถ้าไม่ได้ยังไม่ได้ฉันอาหารกับเป็นว่าลถอาหารไม่มีลถมีชาติละวันนั้นเออเออลงตายเอาจริงๆเพราะงั้นนี่เพราะนั้นน่พระในยุคสมัยนั้นที่เป็นลูกศิษย์หลวงตามีน้อยมากเพราะใครๆก็กลัวอยากจะไปอยู่อยู่แต่กลัวแต่หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปนะที่แรกก็กลัวเหมือนกันนะ หลวงตาหมหาบวชพอเข้าไปเลยโอ้โดนขู่หลายหมัดเหมือนกันนะ เ, เกือบถอยเหมือนกันอนะ่ะแต่พอเข้าไปนี่ก็ฟังฟั ง, ฟงดูหลวงตาเนี่ย เ, เป็นผู้มีกฎระเบียบจริงๆเป็นผู้มีเมตตาจริงๆท่านแนะนําสั่งสอนทังท่านจะดุก็ดุด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าดุด้วยอารมณ์ของท่าน เ, า เ, าเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับเนี่ยเพื่ออาจารย์สอนสิทธิเ์เพราะนั้น เ, เราจึงเรียก ภระกรรมฐานเนี่ยอย่างเรา เ, เรียกหลงปู่ก็ดีเรียกลงตาก็ดีเราจึงเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยพราะองค์หลวงปู่หลวงตาท่านก็เรียกหลงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะเราท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยเพราะเราเข้ามาอยู่อย่างหลวงพ่อเป็นเด่นน้อยนะเป็นเด็กมาอยู่กับหลวงปู่ล่าท่านเลี้ยงอาหารท่านดูของใช้ต่างๆ ให้แนะนำสั่งสอนทั้งหมดทั้งให้ความรู้เอคู่คุณธรรมด้วยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจึงไนที่ควรจะรู้เนี่ยท่านแนะนำท่านจุดเย็บเยืเ่อให้เราทั้งหมดเออถ้าก่ออยู่ข้างนอกท่านก็ดูอีกอาหารการบริโภคขาดเหลือขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงท่านดูหมดเออเหมือนกับโรงเรียนกินนอนลักษณะยอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราจึงเรียกอครูบาอาจารย์ของเราด้วยความสนิทใจ ด้วยความซึ้งใจแล้วว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฮะเออเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกเต็มเต็มที่เวลากลับมากลับขออกาศพ่อแม่ครูอาจารย์นะเราจะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์เออเพราะอะไรเพราะเราซึ้งในปฏิปทาหรือวันการแนะนําสั่งสอนของท่านถึงใจจริงๆฮะเราจึงได้เรียกอย่างนั้นนี่แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เหมือนปริยัตนะทางฝ่ายปริยัตเขา สอนกันนี่พอสอนไปแล้วก็ เ, เพอเผลอลูกศิษย์ความจำเหนือกว่าอาจารย์อีกเผลอเลอจะสอนอาจารย์ได้อีกแต่ภาคกรรฐานนี่ไม่ใช่กรรมาฐานนี่สอนเรื่องสมาธิาสมาธิมีหลายระดับมีหลายอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้กำหนดอย่างนี้รุนะักเป็นยังไง เ, เป็นอย่างนี้เป็นนะักเป็นยังไงถ้ามันเป็นมันไม่เป็นอย่างสมาธิมันมีปัญหาน เข้าไปกราบท่านพ่อการพ่อแม่ครูอาจารย์กระผมภาวนาอย่างนี้อย่างนี้มันจิตใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนีจะมีวิธีแก้ไขเออถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องแก้แบบนี้แบบนี้ท่านจะมีวิธีการเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วนะ่ะเออเราก็ได้แนวทางจากองค์งท่านนะนี่แหละเออเพราะฉะนั้นเรื่องจิตตภาวนาเนะี่ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเนะี่ยจึงพวกเราจึงถือว่าเออ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำทางด้านจิตวิญญาณเรื่องสมาธิห ร, หรือหรือเรื่องวิปัสสนาเ่ท่านก็นแนะนำสัง่งสอนละเอียดถี่ถ้ว น, นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัายาติโยมลูกหลานนวันนี้หลวงพ่อได้มางานครบรอบสิบเก้าปีที่องค์หลวงปู่ท่านจากไปแล้วออมาด้วยความรักเคารพ หลวงพ่อบอกว่าสมัยก่อนเมื่อเราขึ้นมาเดินทางเหนื่อยๆขึ้นมามาก็เห็นหลวงปู่นั่งอยู่ใต้ทุนพอมาเห็นก็มากราบท่านก็นทักทายเออเป็นยังไงไ อ, อ้อินภาวนาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเป็นยังไงมาอย่างไงเพียงเข้านี่แหละโอ้โหรู้สึกว่ามันใจมันพองสบายมีความสุขนะแต่พอมาเมื่อหลวงปู่จากไปแล้วน อ, อ้พอขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อย มันรู้สึกมันว่าเววอ้างว่างเงียบเหงาอยู่ในใจเลึกๆเล็กๆมันบอกไม่ถูกว่างั้นะเออะพอมันขึ้นมาภูมาบนภูเขาเนี่ยนะ่ะแตจะทํายังไงได้พราอโลกอันนี้โลกอันนี้จังจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีชีวิตอยู่ตลอดยืนยาวเป็นร้อยเป็นพันปีมันก็คงจะไม่ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็อยู่ในกฎอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะ แต่ถึงยังไงเราก็เลยมาลำลึกถึงพระคุณของท่านอย่างวันนี้แหละอย่างที่อาจารย์พระครูท่านกล่าวบรรยายเป็นบาลีบ้างแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเป็นความที่บรรยายออกมาแบบลึกซึ้งออกมาจากจิตใจแล้วก็อย่างพวกเราคณะทหาญาติโยมลูกหลานพระนรีทุกอง คงอยากจะทราบอีกเหมือนกันนะเอ๊ะเจดีของหลวงตามหาบวัวไปถึงไหนแล้ววะทำไมไม่ขึ้นสักทีปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วนะคณะาทายาติโยมลูกหลานปีนี้เป็นสองพันห้าร้อยวันเมื่อวันเดือนมกราห้าศูนย์เนี่ยนะเอ๊ะสามศูนย์มกราสามศูนย์เนี่ยแปลว่าสี่ปีพอดีแล้วนะครบสี่ปีที่องค์หลวงตาจากไปแต่ก็ นานาจิตตังนานาทัศนาลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตามีมากก็เลยไม่ก็เลยยังหาที่ลงไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้กำลังละออกไปสร้างข้างนอกแต่ที่เมนของหลวงตานะ่ยออกไปยกไปออกไปข้างนอกไปเนื้อที่กว้างกว่านะ183 181ไร่แอไร่ตรงนี้นะ่ะกำลังจะคิดกันอยู่แล้วก็วันที่22ที่จะถึงเนี่ยนะ่ะ มัด น, นี้ก็เป็นวันที่18ใช่ไหมวันที่ยีบสอที่จะถึงในผู้วาราชการจังหวัดอุดรท่านก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องคณะสัทธาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องเข้าไปไประชุมที่สลากลางจังหวัด น, นี้แหละอันนี้ก็คือเราพม่ได้นิ่งดูได้แต่จะตกปัจจัยที่พวกเราทําบุญถวายไปนั้นไม่ ขาดตกบกพร่องเน้อไม่ล่วงไหลไปที่อื่นเน้อคณะชาติายโจมหลวงพ่อรับรองได้พ่อท่านเขากประกาศออกมาเป็นระยะระยะเดี๋ยวนี้มีเงินที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาน่สี่ร้อยกว่าล้านที่ผ่านที่พ่านวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ที่ถวายองค์ฟ้าหญิงอีกที่คุณสมบัติถวายไปหนึ่งร้อยล้านอันนั้นยังอยู่ที่นั่นก็เป็นอันว่าเออ ห้าห้าร้อยล้านแล้วต่ไหนแต่หลวงพ่อเขารับอีกนะวันที่วางศิลาฤกษ์ข่าวก่อนข่าวก่อนที่จะสร้างนะเมื่อปีปีแรกกับปีที่สองนะั่นนะหลวงพ่อก็ทุนก็หมอมฟ้าหญิงมาเป็นประธานท่านก็วางศิลาฤกษ์นะหลวงพ่อดูดูแล้วปัจจัยข่าวนั้นแปดสิบกว่าล้านโนอะ้แปดสิบกว่าล้านนะถามถามดูสถาปนี้ก็ว่ามันต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า200ร้กว่าล้านนะท่าน หลวงพ่อกกลัวเงินจะไม่พอจะไม่มีใครเซ็นสัญญาใช่ไหมล่ะหลวงพ่อก็เลยเอา้ากลุ่มหลวงพ่ออินเนี่ยกลุ่มวัดปา่านาคําน้อยเนี่ยข้าพรเจ้าจะถวายเป็นอาบิบูชาจะหาเงินให้ได้พอเราหาทองคําให้หลวงตาเนี่ยทั้งร้อยร้อแปดกิโลนะวัดปา่านาคําน้อยเรานะอันนี้เพียงห้าสิบล้านเนี่ยคงได้มากกว่าหลวงพ่อก็เลยตัด ตัดสิ้ใจอบอกว่าคณะกลุ่มวัดป่านาคำน้อยจะหาทุนให้ได้50ล้านบาทเพื่อเป็นอามิชบูชาสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ให้เงินเป็นก้อนนะสมมติว่างวดที่หนึ่งใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็สมทบเข้าไปงวดที่สองเราก็สมทบเข้าไปแต่ถึงยังไงให้ได้ครบ50ิบล้านบาท หลวงพ่อว่า ย, ยังัง น, นนะแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ทุนก็หม่อมฟ้าหญิงท่านเสด็จไปที่วัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อให้ทายกถวายไปแล้วสองล้านนะเดี๋ยวได้ยังยังเหลืออยู่สี่สิบแปดล้านนะลูกหลานนะ <c oughs> ยังเป็นนี่อยู่สี่สิแปดล้านนะโตแกโตหมายนะเอออันนี้ก็แจ้งข่าวให้ทราบเอาไว้นะเออ หลวงพ่อเป็นหนี้นะเออถ้าไม่ถ้ามันเ อ, อแก้ผ้าหน้าไม่รอดจริงๆวัดของหลวงพ่อพันตั้งพันสามร้อยข้ไร่คงจะเอาไปจำจำธนาคารว่ะเออเอาไปเอาไปจำธนาคารไว้ถ้าใครกลัวว่าจะไม่ได้เข้าวัดหลวงพ่อนะ่ะคงจะไปช่วยช่วยไถยด้วยกันใช่ไหมล่ะพอหลวงพ่อเป็นหนี้นี่ว่ะ <c oughs> เออวันนี้หลวงพ่อได้กล่าว เรื่องอะไรให้คณะรทตาญาติโยมฟังหลายรถหลายชาตินะก็เพื่อจะเป็นเครื่องประับสติปัญญาของคณะราตาญาติโยมอย่างที่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าผู้ฟังผู้ฟังยอมในฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น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 มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน เ, เมื่อได้ยินมาแล้วจินตนาการใข้ควรอันนี้ว่าจินตามยะปัญญาภาวนามายปัญญาคือทําจิตใจให้สงบสัก่อนจิตใจให้เป็นหนึ่งสก่อนเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้แปว่าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยภาวนามายะปัญญาเนี่ย สุดตามะยะปัญญากับจินตามมยะปัญญาเป็นปัญญาทางโลกที่ใช้ใช้กันแต่ภาวนามยะปัญญาเป็นปัญญาทางธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจให้ได้เลยต้องภาวนามยะปัญญาต้องทําจิตใจให้สงบซะก่อนเมื่อจิตใจผ่านความสงบผ่านเป็นหนึ่งมาแล้วนํามาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลก็ชําระกิเลสราคะโทสะโมหะ ออกจากจิตใจได้สรุปแล้วก็คือพวกเร า, เาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นหลักนะอ า, อาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะเฉลียวฉลาดจะรู้เรื่องราวต่างๆเป็นไปได้คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากนะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองจะได้กล่าวเรื่องราวให้คณะจดหา ย, ยายมเป็นแนวทาง เ, าเพื่อได้ศึกษาถ้าว่าพวกเรา ได้ฟังแล้วก็นําไปประพฤติธปฏิบัติก็เป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาหลวงปู่ของเราหลวงตาของเราแนะนําบอกกล่าวหลวงพ่อหลวงพ่อก็มาถ่ายทอดออให้ลูกให้หลานให้คณะจัด ท, ทา ย, ยาโชมได้ฟัง เ, เพื่อเป็นแนวทางนําไปประพฤติธปฏิบัติหลวงพ่อก็มั่นใจนะที่พูดให้ฟังเนี่ยมั่นใจได้ปฏิบัติอย่างนั้นได้ฟังมา แล้วก็นำมาบอกกล่าวให้คณะัทธาญาติจมเพราะวันวันนี้หลวงพ่อเองได้กล่าวสมโมทนิยกถาเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีของหลวงปู่หลวงตาขอให้มาคุ้มครองลวกพวกเราคณะสัทธาญาติจมพระเนรลูกหลาน